วันนี้ตรงกับวันที่ส0บธันวาห้าสองเดือนหนึ่งแรม8คดข่ำเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันรักษาศีลเป็นวันรวมกันประชุมไหว้พระสวดมนต์วันนี้นักการภาวนาและการปฏิบัติธรรมของพวกเราท่านทั้งหลายจะทำยังไง จึงจะได้รับผลเร็วหรือว่าได้ผลดีหรือว่าได้ผลเป็นที่พึงพอใจในการประพุทธปฏิบัติจะเดินอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรจิตใจของเราจึงจะก้าวหน้าเข้าไปสู่มักถึงผลอย่างที่เราตั้งใจ เราอย่างที่พวกเราตั้งความปรารถนาเอาไว้วันนี้ก็มีคนมาถามหลวงพ่อในลักษณะอย่างนี้แต่หลวงพ่อก็ให้คำตอบเขาไปว่าไม่มีทางอื่นไม่มีอย่างอื่นนอกจากพวกเราทำให้สม่ำเสมอทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความสนใจเมื่อเรา ได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังทมคำสั่งสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านในธทมลิขิตเป็นตัวหนังสือหรือว่าเป็นเทปเป็น MP3 หรือว่าได้ยินจากที่ท่านพูดเมื่อเราได้เมื่อเราเข้าใจแล้ว ในทาคาสอนนั้ น, น, นเราก็นํามาประพฤติปฏิบัติกับตัวของเราเองแต่ต้องพยายามทำให้สม่าเสมอในเมื่อเราได้ศึกษาในเมื่อเราได้เรียนรู้ในเมื่อเราตั้งศรัทธาคือความเชื่อในทาคํสั่งสอนเชื่อในแผนที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้รับมรับผลมาแล้ว มาแนะนำสั่งสอนพวกเราเราก็นำทำขับสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติตั้งแต่เริ่มบริกรรมใช้กรรมฐานไหนบริกรรมยึดกรรมฐานไหนบริกรรมในอนุสติจะยึดพุทโทธธรรมสังหรือหรือพวกเราจะยึดกายกายานุปัจนาสิติปัฏฐาน มุมไหนแต่โดยมากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราที่ท่านแนะนำสั่งสอนท่านบอกว่าอาณาปานสตินี่ถูกจริตเกือบทุกจริตที่จริตท่านะพุทธา พ, ทพุทธาจริตโทสาจริตโมหจริตศรัทธาจริตอย่างเนี้ย อุบาจารย์ท่านบอกว่าอ า, า, านาปาณสตินี่ถูกเกือบทุกจริตเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนําสอนพวกเราท่านทั้งหลายว่าให้ภาวนาพุทโธพร้อมกับลมหายใจเข้าออกนะนี่แหละที่หลวงปู่หลวงตาสายหลวงปู่มั่นของพวกเราที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะยึด แนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเรานี่สอนแต่ถ้าว่าพวกเราภาวนาไปแล้วบริกรรมไปแล้วใช้อย่างเต็มที่ไปแล้วจิตใจของเรายังออกไปนอกลู่นอกทางแล้วกัจิตใจของเราไม่ได้รับความสงบเท่าที่ควรแต่เราทำเต็มที่แล้วอันนั้นเราก็ควรจะเปลี่ยนกรรมฐานใหม่ท ด, ทดลองดูสิเอออย่างที่ได้ยินจากองค์อื่นท่านได้ ปฏิบัติมาอย่างไรเรา็นํำกรรมฐานที่เราได้ฟังได้ศึกษานั่นแหละนำมาประพุทธปฏิบัติกับตัวของเราอีกทดลองดูแต่ที่ไงก็อย่าทิ้งกรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บอกอไว้ว่าอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกพร้อมกับปริกรรมหายใจเข้าพุ หายใจออกโทรจากนั้นก็เราก็ทดลองดูอีกในการก้าวเดินอย่างเนี้ยเดินด้วยสติไม่ได้กำหนดอะไรหรือภาวนาเพียงแต่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นไม่ได้บริกรรมพทรุโทโธทดลองดูสิสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราสังเกต เมื่อเราภาวนากรรมฐ า, านไหนให้พวกเราสังเกตถ้าเมื่อเราสังเกตเราจะรู้ได้ว่าจิตใจของเรานะ่มันไปทางไหนมันสวัสดไปทางไหนมันออกนอกคู่นอกทางไปยังไงเวลามันจะออกมันออกโดยวิธีอย่างไรเป็นะลยวิธีจิตใจของเราใจของเราจะออกที่มันจะเผลอไผลไปนะมันออกในลักษณะไหนถ้าเรามีสติ สัมปชัญญะในตัวของเราอยู่ตลอดเราจะรู้ได้ว่ามันเวลามันจะออกเป็นยังไงจากนั้นเราก็พยายามดูจุดนั้นอีกนี่แหละคือพยายามทำให้สม่าเสมอวันหนึ่งถึงจะเราจะอยู่ณสถานที่ใดก็าตามอย่าให้ขาดแต่ละวันห้านาที10นาที30 40นาทีไม่เอาไม่นั่งภาวนาไม่กาหนดตอนเช้ากำหนดตอนตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็น ช่วงไหนที่มันพอว่างเราจะเข้ามากับกรรมฐานนั้นได้ทุกเวลาไม่ได้เตือกไปลำเวลาไม่ใช่ว่าจะนั่งขัดสมาธิสกอนเราจึงภาวนาไม่ใช่เราจะอยู่ทำงานทำการปัดกัดอะไรก็าตามกบริกรรมพุทโธพุทโธนั่นแะ่ะคือทำให้สืบเนื่องทำให้ต่อเนื่องถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่ จิตใจของเราก็คงจะสูงสงขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้เพราะเราพยายามหาช่องหาทางที่จะให้จิตใจของเราสงบอยู่เหมือนเราปลูกต้นไม้ถ้าเราเห็นว่าต้นไม้ปลูกลงไปแล้วเอาปลูกเสียดินแล้วไม่เป็นไรแต่เนี้นเราก็ลืมเผลอไปไม่ได้ดูไม่ได้แลพอกลับมาดูอีกทีหนึ่งนูน่น ดินแตกแนะแหงไปหมดแล้วมีแต่ยากคุมไปหมดและต้นนั้นต้นไม้ต้นนั้นจะโตได้ไหมนี่ก็เหมือนกันเมื่อเราเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราก็ลงมือปฏิบัติบริกรรมพุทโธพุทโธแต่ครั้งแรกรือสึกเอาจริงเอาจังจากนั้นมาก็ลืมไม่ได้สนใจเลยขาดเป็นปีเป็นเดือน เป็นเดือนเป็นปีย่อมค่อยกลับมาภาวนาอีกถ้าเป็นต้นไม้ก็กคงอับเฉาตายไปแล้วแล้วก็มาปลูกใหม่อีกกระทิ้งอีกอย่างเก่าแล้วจะต้นไม้นั้นจะงอกเงยได้อย่างไรพวกเราคิดดูก็แล้วกันการปลูกฝังธรรมะเข้าสู่จิตใจก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นในพวกเราทำดูตรวจตาเมื่อปลูกต้นไม้ลงดินแล้วเราก็ต้อง น้ำพรวนดินดูดินฟ้าอากาศจะให้ต้นไม้ต้นอื่นหรือเกลือเขาเถาวัลย์ปกคลุมมันพยายามดูแลปกป้องแสงแดดมันแดดเกินไปก็ปกป้องมันไว้แล้วก็ไม่ให้พวกสัตว์สาราสิงมากัดมาแทะต้นไม้ที่เราปลูกต้นไม้ตัว น, นั้นก็เมื่อได้รับการดูแลรักษาสรรม่ําเสมอจาก ผู้เป็นเจ้าของต้นไม้นั้นก็จะเจริญงอกเงยขึ้นได้สวยงามขึ้นไปลําดับลํำดับจนถึงต้นใหญ่พอต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วทนนี้มันเป็นไปเองเนนการดูแลรักษาก็น้อยมากท่านนี้ไม่ต้องรดน้ำพรวนดินมันใหญ่แล้วนนมันขยายพันธุ์ของมันไปเองครับนี่ก็เหมือนกันใหม่ๆพวกเราต้องใส่ใจต้องให้ความสนใจในการ ดูแลเรื่องจิตใจเรื่องจิตภาวนาเรื่องสมาธิของตนเองแต่เมื่อเราใส่ใจแล้วนั่นแหละท่นี่ผลมันจะงอกเงยไม่มีทางอื่นอย่างที่วัดจะทํำยังไงจิตใจของเราจะสมความมุ่งมา่นปรารถนาเรื่องจิตภาวนานี่จะก้าวหน้าไปได้จะเดินยังไงจะปฏิบัติตนอย่างไรหลวงพ่อบอกไปแล้วว่าไม่มีทางอื่น นอกจากพวกเราทาให้สม่าเสมอแล้วก็ใส่ใจในการภาวนาอย่าให้ขาดวักขาดตอนให้สืบเรื่องให้ต่อเรื่องเรื่องสมาธิจากนั้นปัญญาปัญญาการเดินปัญญาเมื่อจิตใจของเราสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วเราก็เดินทางวิปัสสนาวิปัสสนาปัญญา เราก็ฝึกหัดคิด่ฝึกหัดคิดเรื่องอะไรที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านฝึกหัดคิดก็คือกรรมฐานดูร่างกายของตอนเองให้เห็นเป็นสองไม่สวยงามให้เป็นอสุภะให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเป็นจริงอย่างไรสมัยเป็นเด็กสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อมาก็เป็นคนผู้สูงวัย จากนั้นก็พูเท่าพูแกจากนั้นก็ถึงตายจากนั้นก็เมื่อตายไปแล้วเอาไปเผาเมื่อเผาแล้วเป็นกระดูกกระดูกแล้วไปโปรยลงน้ํารึกเอาไปฝังไปเก็บทุกคนเป็นอย่างนั้นไหมอันนี้ก็คือให้คิดนี่แหละอันนี้เราใช้ปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงเหรอทีนี้ให้คิดให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่คิดปุงเฟอ้อไปเฉยๆไม่ใช่นะ อแค่ๆละเมอเพอ้อไว้ไปอย่างนั้นไม่ใช่ให้เห็นเป็นตามความเป็นจริงจริงจริงจริงไหมที่เราคิดเนี่ยหรือเราคิดหลอกตอนเองหรือเราคิดยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อจิตของเราสงบปเป็นพื้นฐานแล้วก็ให้เดินทางปัญญาวิปัสนาวิปัชนาหลวงพ่อเคยพูดว่าวิปัชนนึกคือนึกคิดปรุงแต่งแต่ว่าปรุงแต่งให้เห็นตามความเป็นจริง นี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะผู้มาปฏิบัติธรรมอันดับแรกกับเรื่องสมาธิจะกำหนดกรรมาฐานไหนให้บริกรรมพุทธโธเป็นหลักพ่อแม่ครูบาอาจารย์นว่าถ้ากำหนดแต่ลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจเข้าเฉยๆมันยังมีช่องว่างทำให้จิตใจของเราเล็ดลอดออกไปได้ให้บริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทถ้าว่าเรา มันยังออกไปอยู่มันยังมีใต้สำลักออกไปอยู่ให้กำหนดรูซสิว่าเวลาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้ฟังเสียงหัวใจเลิ้นหัวใจขอ ง, ของตนเองเต้นรู้สิพร้อมกับบริกรรมพุทโทแต่ใจก็ให้ดูว่าใจของเราขณะนี้มันเต้นตุบตุบตึบเนี่ยให้ฟังดูถ้าเราสังเกตเราจะเห็น น, นี่แหละ ถ้าว่ามันยังมีช่องว่างที่จะออกไปอยู่เราก็ บ, บริกรรมพุทโธให้ถียบคือให้ใจของเราบน่นให้ใจของเราสาธยายพุทโธแต่ไม่ให้ไม่ให้ออกปากนะให้ใจของเราพุทโธใจของเรามันมีช่องใจมันนึกคิดออกได้อยู่กอ บ, บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในใจสำทับอยู่ในความรู้สึกในใจของเราไม่ให้มันออกไปข้างนอก ให้มันพุโทโธอยู่ในใจอันนี้ก็ทดลองดูเพราะาการประพฤติธปฏิบัตินั้นไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราแต่ละท่านเองเราถูกกับจริตไหนเเหมือนกับเราทานอาหารเนีคนหนึ่งชอบวหนึ่งคนหนึ่งก็ชอบวนหนึ่งเคนหนึ่งก็ชอบเผ็ดคนหนึ่งก็ชอบเค็มคนหนึ่งก็ชอบหวานแต่ละคนเนี่ยถ้าจะว่าไปทานอาหารเหมือนกันดูแต่การชอบหนึ่งมันอาจจะแกแตกต่างกันไป นี้ก็เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติธรรมอาจจะมีบางคนบางท่านเลือกกรรมฐานน่ยอย่างครั้งพุทธเจ้าเหมือนกันที่พวกเราได้ศึกษาในตำรับตำราพระสาวกลุกซุกสิ่งของพระพุทธเจ้าการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าไปแนวแถวเดียวกันบางองค์กชอบกรรมฐานหนึ่งปฏิบัติแล้วก็ได้ผลแต่บางองค์เอากรรมฐานนั่นแหะ ที่หมู่ครูบาจารย์เคยแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์มาสั่งสอนลูกศิษย์ทั่วไปปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลบางองค์จะได้ถึงเป็นพุทธวิสัยเป็นพุทธเพราะพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเองก็มีตั้งหลายองค์เพราะว่าสาวกสอนไม่ได้ต้องอาศัยพุทธต้องใช้อิทธิฤทธิต้องใช้พุทธนิมิตยอย่างนั้น ท่านองค์นั้นก็ได้ยังได้ปฏิบัติจึงได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลอันนี้ถ้าพวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกก่อนปีลักษณะอย่า ง, งานั้นแต่ถึงยังไงพวกเรามาถึงยุคสุดท้ายปลายแดนท่นี่เราก็ต้องพึ่งตนเองนอกจากกับพึ่งครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนท่านก็ให้หลายเงื่อนหลายเงื่อนว่าทดลองดูสิเป็นอย่างนี้เป็นไงทดลองนี้ปฏิบัติอย่างนี้เป็นไงน แต่ว่าเราจะเป็นคนจับจดเปลี่ยนกรรมฐานวันหนึ่งไม่รู้กีก่ครั้งอันนั้นมันก็ไม่ถูกเหมือนกนอนนันเขาว่ายังไงดีกว่าเปลี่ยนไปเรื่อยอันนั้นก็เลยลักษณะจับชายเพราะงั้นหาจดหากทหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราจะได้เป็นอย่างนั้นยึดกรรมฐานไหนก็ยึดให้มันหลักสังเกตุกว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ให้สังเกตไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้สังเกตนะเรายึดกรรมฐานไหน หลวงพ่อมั่นใจได้เกินว่าอีกสักวันหนึ่งใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบ เ, เมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วจากนั้นก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาฮะเป็น พ, พิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาเห็นเรื่องต่างๆได้อย่างชัดเจนถ้าพวกเราอยากจะถามว่าเห็นอะไรหลวงพ่อคือเห็นใจตัวเองนั่น อ, อย่างสมมติ ให้เห็นง่ายๆคนเราเนี่ตายนะเกิดมาแล้วตายอันนี้ใครๆก็พูดกันว่าเกิดมาแล้วต้องตายตายเปนของธรรมดาอย่าว่าอย่างไงเกิดมาแล้วก็ตายฮ้อันนี้เราพูดได้แต่เมื่อเรามีธรรมะในจิตใจเราภาวนาลึกเข้ากัากำหนดดูให้ใจให้ลึกๆเออตายแล้วมันเป็นยังไงตายแล้วไปว่าห่างจากพี่จากน้องจากเพื่อนจากฝูงจาก โงสาคนายาตจ่ายตายไปแล้วแบบไม่ไดเยื่อใยกับไปรายทั้งหมดตายและหายเงียบไปเลยเไม่กลับมาโผลมาใหนะ้เห็นอีกอร่างกายนั้นถ้ามาก็คงมาแบบลักษณะมาด้วยวิญญาณมาด้วยใจแต่ามาเกิดเกิดกเปเปเเ็เปลี่ยนรูปเป็นเปลี่ยนโฉมไปแล้วเปลี่ยนรูปเป็นโฉมไปอย่างอื่นแล้วจะไม่เห็นรูปโฉมอันเก่าแล้วนี่นี่แหละ ในเมื่อเราพิจารณาด้วยใจด้วยปัญญาอันลึกของเรามันสลุดสังเวชจิตใจลึกๆนะโอ้น่ากลัวนะความตายเนี่ยพบนี้ชาตินี้ก็ตายเกิดมาอีกพบหนา้าชาติหน่าก็จะต้องตายเกิดมาต่อไปภายภาคหน้ากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติก็ตายทุกพบทุกชาติเราไม่เบื่อหน่ายบ้างเหอเรอม่ควรจะเหตุตามความเป็นจริงบ้างเหรอ ทำไมเราจรึงลุ่มหลงมัวเมาอันไหนคือความสุขที่แท้จริงอันไหนคือสาระของชีวิตคิดดูให้ดีนะใจน ะ, นะถ้าพวกเราใช้ปัญญาคิดไตรตรองด้วยเหตุได้ผลด้วยผลแล้วหลวงพ่อว่าใจของเราขอจะรู้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรท่านนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะตั้งใจภาวนามาอยู่วัด เห็นไหมกลางคืนเนี่ยนะเงียบสงบจริงๆไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินแต่เสียงอแมลงร้องไม่กี่ตัวถ้าเป็นหน้าหนาวหนาวกว่านี้อีกมันจะไม่ร้องเลยเพราะงั้นเนี่ยมันกันหนาวมันกันสัตว์มันจะเงียบเลยแต่ใ น, นถ้ามันไม่หนาวเท่าไรก็ยังได้ยินเสียงจี๊ดจี้แย๊ดแยอยู่บ้างอันนี้มคือมแมลงป่านะเพราะนั้นน่ยถึงจะสงบยังไงถ้าใจของเราปุ่งฟุ้งซ่านใจของเราไม่สงบ มันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันนะเพราะนั้นอยู่ในที่สงบใจของเราก็จะให้มันป่งฟุ้งออกไปกําหนดกรรมฐานไหนกรรมฐานหนึสำทับเข้าไปจะ ย, ยึดพุดโทโธก็ยึดให้มันแน่นอย่าให้มันเผลอนะสติสัมปชัญญนะเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งในการภาวนาไม่ว่าขัน้นต้นไม่ว่าทรามกลางไม่ว่าขั้นปลายะเรื่องสติสัมปชัญญนะยิ่ง จิตใจละเอียดเข้าไปแล้วใจิตใจตะลุมบอนเข้าไปแล้วมหาสติมหาปัญญายิ่งมีความจำเป็นอย่างมากสติปัญญาจนกว่าใจิตใจจะถอดถอ น, นกิเลสอาสวะกิเลสออกจากหัวใจเมื่อเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหล อ, อแปลว่าจังถอยทัพเครื่องมือของตอนเองตนขณะที่เราโตสู้ตะลุมบอนกันแปว่า สติปัญญาของเราเนี่ยเผลอไม่ได้ละเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะตั้งใจภาวนาอตอนนี้ไปให้เปิดเทปเ็มพีสามฟังดูซิพวกเรานั่งภาวนาไปด้วยนะนั่งภาวนาไปเรื่อยเพื่อการศึกษาการศึกษากับเพื่ออาศัยการได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าต่างๆพวกเราจะได้นำไปคิดอย่างน้อยก่อนเป็นนา มาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของตนเองต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นมีปัญหาต่อไปภายภาคหน้าถ้ามีใครถามมาเราก็พร้อมที่จะตอบพร้อมที่จะชี้แจงให้ใครฟังได้เพราะอะไรเพราะเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วเพวัะนั้นธรรมะของพระเจ้าต้องอาศัยการศึกษานะสรุปแล้วต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะ หลายเรื่องต่อไปก็นำมาประยุกใช้กับตนเองใครๆที่มาเกี่ยวข้องเอเปิดตอนนี้ไปเปิดได้นะเอานั่งสมาธินะัตินี้นะ